บัณนี้จากแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะในการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนยะแห่งพระพุทธคุณซึ่งเป็นพุทธานุสติบดว่าพุทโธข้อต่อไปนั้นคือพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้ตื่นคำว่าตื่นในความหมายนี้ หมายถึงตื่นจากความหลับด้วยอำนาจของกิเลสคือไม่ถูกครอบงำด้วยอำนาจของกิเลสทั้งหลายความหลับโดยทั่วไปนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็แบ่งออกเป็นสองฝ่ายด้วยกันคือขันธนิสาความหลับของร่างกายได้แก่ความหลับโดยปกติธรรมดาของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเมื่อร่างกายต้องการพักผ่อน เมื่อบุคคลตกลงสู่ความหลับนั้นอาการกิริยาที่แสดงออกมาไม่อยู่ในอำนาจการควบคุมของคนที่หลับชั้นใดจิตใจของบุคคลที่ถูกความหลับด้วยอำนาจของกิเลสที่เรียกว่ากิเลสสนิจาควบคุมอยู่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามอำนาจของกิเลสเช่นเดียวกันเช่นนั้น ระหว่างความหลับทั้งสองประการนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้ตื่นจากความหลับทั้งสองประการนั้นแม้ความหลับแผงขันที่เรียกว่าขันธนิสาก็ทรงตื่นมาด้วยดีเวลาจะหลับก็เป็นการหลับอย่างมีสติที่สมบูรณ์เรียบทต่างๆได้ถูก ถูกควบคุมไว้ด้วยสยติและทรงใช้เวลาพักผ่อนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นดังนั้นในชันนี้จึงทรงตำหนิบุคคลที่นอนมากเกินไปเห็นแก่ความเครื่อนหลับและปล่อยการเวลาให้ผ่านพ้นไปด้วยความหลับหรือด้วยความยินดีในการหลับบางครั้งทรงแสดงว่า ความหลับนั้นเป็นการทำชีวิตในช่วงนั้นให้สูดเปล่าซึ่งในที่นี้หมายความว่าความหลับที่เกินพอดีไปนอกเหนือจากความต้องการของร่างกายจัดว่าเป็นโมฆะชีวิตในช่วงนั้นคือทำชีวิตให้ปราศจากสารแกนสารแต่ความหลับแห่งคันนั้นก็ไม่รุนแรงเท่ากับความหลับด้วยอำนาจของกิเลส ที่ทำให้บุคคลไม่รู้เหตุผลในด้านต่างๆของการดำรงชีวิตและความจริงที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้ว่าความจริงที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตื่นมาจากความหลับเหล่านี้ด้วยการจัดสรุปอริยสัจทั้งสี่ประการดังที่ทราบกัน หลักธรรมสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตื่นขึ้นจากความหลับด้วยอำนาจกิเลสสนิสาได้แก่ทรงพอพระทัยในสัพพัญญุตยานคือการตัดสรูอย่างแรงกล้าความพอพระทัยในสัพพัญญุตยานนั้นไม่ได้ผ่อนคลายลงไป แม้บางครั้งจะมีอุปสรรคจะมีสิ่งที่มายั่วจวนด้วยประการต่างๆแต่มีพระไทยมั่นคงไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคอันตรายเหล่านั้นและในขณะเดียวกันก็ไม่ได้พอพระไทยไว้เพียงอย่างเดียวแต่อุบายวิธีอันใดที่จะทำให้พระองค์เพิ่มพูนบา ร, รมีจนถึงศัสรูเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็ทรงใช ความเพียรพยายามเพื่อบรรลุเป้าหมายเหลากนั้นวาควันอุปสรรควากน้ำมีประการต่างๆด้วยความอดทนไม่คำนึงถึงความเจ็บปวดรวดราวส่วนพระองค์ได้เคยแสดงให้เห็นถึงเจ็ดจานุงอันมั่นคงภายในพระทัยของพระองคไว้ในชาดกว่าหากมีผู้กล่าวว่า ตนต้องตกในนรกอเวจีในระยะเวลาหนึ่งแล้วพ้นจากนรกจะได้จัสรุเป็นพระพุทธเจ้าก็ยินดีที่จะตกนรกหมกไหมเช่นนั้นเพื่อได้มาซึ่งความเป็นพระพุทธเจ้าและด้วยความเพียรพยายามนั้นก็มีความตั้งใจมีการมีการเอาพระทัยใส่ในงานอันเป็นภาระหน้าที่ของตน เมื่อมีปัญหาบาังเกิดขึ้นไม่ว่าในช่วงใดของการบำเพ็ญเพียรก็ตามจะทรงใช้ความเพียรพยายามใช้ปัญญาพินิจพิจารณาตรวจสอบถึงเหตุที่แท้จริงของเรื่องนั้นๆแล้วจัดการแก้ไขให้สำเร็จตุล่วงไปได้ด้วยดีอย่างในการบำเพ็ญเพียรทางจิตก่อนการศัสรู ก็ทรงประสบปัญหาเช่นเดียวกับที่คนอื่นเขาประสบกันแต่เนื่องจากมีพระไทยมุ่งมั่นทรงใช้ปัญญาเหมาะควรแก่กาละแก่โอกาสและอารมณ์นั้นๆจึงสามารถแก้ไขเรื่องเลวร้ายต่างๆให้กลายเป็นดีไปได้และที่สำคัญก็คือว่ามีความกระตือรือร้นสูงมุ่งมั่น ที่จะบรรลุผลคือการจัดสรุให้ได้หลักธรรมทั้งห้าประการนี้เมื่อตัดออกเป็นสข้อแรกทรงเรียกว่าอิทธิบาทคือทางแห่งความสำเร็จในกิจการงานทุกอย่างแต่ในการบำเพ็ญเพียรทางจิตนั้นจำเป็นจะต้องอาศัยความกระตือรือร้นที่จะบรรลุผลให้ได้ เป็นหลักเพิ่มขึ้นอีกประการหนึ่งด้วยการปฏิบัติสืบต่อของพระผู้มีพระภาคเจ้าในลักษณะนี้ตั้งแต่สมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์มาแล้วในที่สุดก็กลายเป็นผู้ตื่นขึ้นอย่างแท้จริงได้เคยอุปมาไว้ว่าบุคคลทั้งหลายในโลกนั้นเหมือนกับแบกไว้อยู่ในกระแสน้ำ บางคนก็ลอยตามน้ําบ้างโขบางคนก็ทวนกระแสน้ําขึ้นมาได้บ้างบางคนก็พอทรงตัวขึ้นมาได้แต่บางคนสามารถยืนหยัดอยู่บนฝัง่งโดยปราศจากกระแสน้ํามาพัดพาให้เป็นอันตรายพระมีพระภาคเจ้าก็อยู่ในประเภทบุคคลที่ขึ้นไปยืนได้บนฝัง่งหลุดพ้นจากกระแสน้ําซึ่ง พัดพาชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายกระแสน้าในที่นี้ก็คือกระแสของกิเลสนั่นเองด้วยการตื่นขึ้นจากกิเลสสนิสาของพระพุทธองค์นี้เป็นการเชี่ย้เห็นถึงความปราศจากอาสวะกิเลสซึ่งมีชื่อและลักษณะแตกต่างกันออกไปภายในพระทัยของพระองค์โดยสิ้นเชิงทำให้เข้าถึงความบริสุทธ อย่างแท้จริงด้วยปัญญาเครื่องสัตยรูของพระองค์ทําให้พระองค์เกิดมีกําลังขึ้นที่เรียกว่าทศพลยานคือยานอันเป็นกําลังของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งท่านทรงจําแนกไว้ถึง10ประการด้วยกันจะยกมาเพียงบางข้อพอเป็นแนวในการแสดงให้เห็นถึงความตื่นขึ้น ข, นของพระพุทธเจ้า ในทํากลางของบุคคลผู้ยังหลงอยู่ทั้งหลายคือทรงประกอบด้วยฐานาฐานะญาณคือพระญาณที่รู้ฐานะคือความเป็นไปได้และฐ า, านะคือความเป็นไ ป, ไ, ปไม่ได้แห่งเหตุและผลทั้งหลายเช่นทรงรู้ว่าเป็นฐ า, านะคือเป็นไปไม่ได้ที่คนซึ่งกระทําความดีแล้ว จะได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะการกระทำดีของตนหรือเป็นไปไม่ได้ที่คนซึ่งทำชั่วแล้วจะได้รับความสุขความเจริญเพราะการกระทำชั่วของตนเป็นเหตุและเป็นอาัถานาคือเป็นไปไม่ได้ที่พระพุทธเจ้าสองพระองค์จะมาตัดสรูพร้อมกันในจักรวาลเดียวกันเป็นไปไม่ได้ที่คนซึ่ง กระทำบาปทำอกุศลในลักษณะต่างๆแล้วจะได้ความสุขความสงบใจเป็นต้นดังนั้นความรู้หรือพระยานในชั้นนี้ทำให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมะที่ประกอบด้วยเหตุต่างๆกันออกไปทั้งเหตุแห่งความสุขและทั้งเหตุแห่งความทุกข์บางครั้งก็ทรงแสดงในรูปของทางการปฏริบัติ ซึ่งอำนวยผลให้แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติที่เรียกว่าสุกติคือทางดีและทุ ก, กติคือทางชั่วทรงประกอบด้วยวิปากยานคือทรงรูปผลที่บังเกิดขึ้นในชีวิตของคนคำว่าผลนั้นหมายถึงผลในชั้นต่างๆทั้งที่ออกมาเป็นรูปร่างกายอัตยาสายัยพื้นเพยประมี ฐานะทางสกุลระดับแผงสติปัญญาเป็นต้นและเหตุผลที่บุคคลประสบกันในปัจจุบันนี้ซึ่งบางครั้งแม้ว่าเหตุนั้นจะไม่ปรากฏแต่ว่าผลปรากฏขึ้นก็ทรงชี้ไปที่เหตุได้ว่าผลนี้มาจากเหตุอย่างนี้ผลนั้นมาจากเหตุอย่างนั้นซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือข้าวหลักที่ ทราบกันโดยทั่วไปว่ากุศลอำนวยผลให้เป็นความสุขอกุศลอำนวยผลให้เป็นความทุกข์และอัพยากรก็อำนวยผลให้เป็นกลางๆนั่นเองพระทางแห่งเหตุผลเมื่อกล่าวโดยสรุปก็มีอยู่สามทางเท่านั้นเมื่อบุคคลประกอบเหต ด, ดีผลก็ต้องออกมาดีประกอบเหตชั่วผลก็ต้องออกมาชั่ว ซึ่งบางครั้งแม้เหตุจะไม่ปรากฏแต่ก็โยงจากผลไปหาเหตุได้นานาธาตุยานทรงมีพระยานอย่างรู้ธาตุทั้งปวงที่มาประกอบกันเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นสิ่งของและทรงแสดงธาตุเหล่านั้นเอาไว้เป็นอนเนกประการซึ่งเป็นการเชี่ย้เห็นถึงความอย่างรู้อย่างแท้จริง ของพระผู้มีพระภาคเจ้าทให้พระองค์ทรงตื่นจากความหลงในขันในธาตุในอาญตนะเหล่านั้นและทรงประกอบด้วยนานาธิมุตติกยานคือทรงรู้ความแตกต่างของพื้นเพอัตยาศัยของคนและสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นอุปกรณ์อย่างสำคัญในการที่พระองค์ทรงใช้ไป เพื่อการสั่งสอนอบรมประชาชนทั้งหลายให้เหมาะควรแก่พื้นเพออธยาสัยจริตของบุคคลเหล่านั้นความตื่นขึ้นของพระพุทธเจ้าในคราวนั้นได้ทรงแสดงออกมาในรูปของพุทธอุทานคือการเป็นการเปล่งขึ้นด้วยความยินดีว่าเมื่อใดทำทั้งหลาย ปรากฏขึ้นแก่พรามผู้มีความเปลี่ยนเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยของพรามนั้นย่อมหมดสิ้นไปเพราะมารู้ธรรมพร้อมทั้งเหตุซึ่งเป็นการแสดงเห็นว่าธรรมที่ช่วยให้พระพุทธเจ้าตื่นขึ้นมานั้นก็คือทรงรู้แจ้งซึ่งธรรมทั้งหลายพร้อมทั้งเหตุและผล พรมทั้งขวายเกิดและขวายดับทรงอย่างรู้ถึงตัวเชื้ออันเป็นมูลฐานที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นว่าล้วนแล้วแต่ก่อขึ้นมาจากอาวิชชาคือความไม่รู้จริงซึ่งท่านได้จำแนกไว้ว่าได้แก่การไม่รู้ในทุกในเหตุเกิดแห่งทุกขในความดับทุกขในข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกในเรื่องราวที่เป็นอนดีต ในเรื่องราวที่เป็นอนาคตไม่รู้ทั้งอดีตและอนาคตไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทซึ่งหลักธรรมเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงสัจสุชัดเจนในเรื่องเหล่านั้นก็กลายเป็นผู้ตื่นจากอำนาจของอวิชชาซึ่งเป็นรากง้าวของกิเลสทั้งหมดและความตื่นขึ้นนี้เองทำให้พระองค์ประจักษ์ชัดขึ้นภายในประไทย อย่างที่รับสั่งเล่าให้พระภิกษุปัญจวคีีฟังในตอนท้ายของธรรมจักรกัพวัฒนสูตรและพระพุทธุทานที่ทรงเปล่งตอนสัดสรุปใหม่ๆซึ่งมีใจความลงรูปกันในตอนท้ายแห่งพระธรรมจักรกัพวัตนสูตรนั้นทรงเชียร์เห็นว่าเมื่อพยานทั้งสามประการได้บังเกิดขึ้นในอริยสัจสถูกต้องสมบูรณ์ดีแล้ว ความรู้ก็บังเกิดขึ้นภายในประทายของพระองค์และจากความรู้ที่เกิดขึ้นนั่นเองทำให้พระองค์ทราบชาัดว่าอัยมันติมาญาติชาติคือความเกิดของพระองค์ในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วนัติดานิปุณโะพบใหม่สำหรับพระองค์นั้นไม่มีอีกต่อไปแล้วซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า การที่บุคคลต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนั้นปัจจัยสำคัญก็คือกรรมกับกิเลสเป็นตัวสร้างภพสร้างชาติขึ้นเมื่อผู้ปฏิบัติปฏิบัติจนละกิเลสได้กรรมก็ชื่อว่าหมดสิ้นไปภพชาติก็หมดสิ้นตามไปด้วยเพราะสิ่งทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามเหตุปัจจัยไม่ว่าในกรณีอะไรก็ตาม พระพุะาคเจ้าทรงเป็นผู้ตื่นขึ้นด้วยลักษณะอย่างนี้ในกรณีของการน้อมนำมาระลึกก็ก่อให้เกิดความสงบด้วยบทวพุทธโธอย่างที่ใช้ภาวนากันในการน้อมนำมาพินิจพิจารณาก็จะเกิดความทราบซึ้งเห็นคุณของพระพุทธเจ้ากว้างไกลจึงขึ้น ก็จะเห็นได้ว่าความเพียรพยายามของพระพุทธเจ้านั้นเป็นความเพียรพยายามแบบคนคนหนึ่งที่มีทั้งผิดทั้งถูกแต่อาศัยคุณธรรมเป็นหลักคุ้มครองใจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงความผิดเหล่านั้นให้กลายเป็นความถูกต้องจนการกลายเป็นความถูกต้องที่สมบูรณ์ไม่มีความผิดพลาดอีกต่อไปในการน้อมนามาประพฤติปฏิบัติบุคคลก็จะเห็นได้ว่า คุณในธรรมที่เสริมสร้างพระโพธิสัตว์ให้กลายเป็นพระพุทธเจ้าจนกลายเป็นผู้รู้และผู้ตื่นนั้นเป็นกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติธรรมดาเมื่อทรงจัดสรู้แล้วก็ทรงนำมาชี้แจงแสดงเปิดเผยแก่โลกปรากฏอยู่ในคำพีพระพุทธศาสนาเป็นอันมากและได้มีการเผยแร่ในหมู่ประชาชนมาเป็นเวลานาน บุคคลเป็นนั้นมากได้ดำเนินตามประพฤติปฏิบัติตามจริยาของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้สัมผัสผลเหล่านั้นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติหลักธรรมที่กล่าวมาในตอนต้นในยะหนึ่งนั้นจะเห็นได้ว่าการปลูกฝังความพอใจในศีลสมาธิปัญญา เป็นหลักปฏิบัติพัฒนายกระดับชีวิตของบุคคลให้เข้าสู่ความสงบความประนีตไปโดยลําดับแต่การปลูกฝังความพอใจเพียงอย่างเดียวถ้าไม่ลงมือใช้ความเพียรพยายามก็จะเป็นเหมือนกับการสร้างวิมากในอากาศผลจะบังเกิดขึ้นไม่ได้เรื่องของความเพียรพยายามจึงเป็นหลักที่ทรงสอนอยู่เสมอในที่ต่างๆว่า พาวิตาพาบุลีเกตาคือให้ฝึกปรืออบรมและกระทำให้มากไว้แม้พระองค์เองก็ปฏิบัติโดยนายะนั้นความตั้งใจการเอาใจใส่ในการปฏิบัติชกฉวยโอกาสที่ปรากฏขึ้นสร้างความสงบให้มีขึ้นภายในจิตใจของตนเป็นเรื่องที่บัณฑิตชนผู้รู้ค่าของเวลาและคุณของความสงบ จะต้องเอาใจใส่ตั้งใจที่จะให้เกิดขึ้นในโอกาสนั้นจึงงจะเห็นได้ว่าการปฏิบัติธรรมเหล่านี้อย่างการพยายามให้ความสงบบังเกิดขึ้นแก่จิตใจไม่ว่าโอกาสจะมากหรือน้อยก็ตามไม่เห็นว่าใจเลื่อนลอยไปในอารมณ์่ใดอย่างหนึง่งแลวไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเป็นการสูญเสียพลังบางครั้งยังนำเรื่องกรัดรุ่มเร่าร้อนมาสู่จิตอีกด้วย ก็ตัดกระแสอารมณ์ดนั้นเสียทำความสงบให้เกิดขึ้นแก่จิตโดยยึดมั่นอยู่ในคุณของพระพุทธเจ้าบทใดบทหนึ่งหรือกาหนดลมหายใจเข้าออกหรือแม้แต่ให้อยู่แก่กิจการงานที่ตนกระทำอยู่ก็เป็นการเสริมสร้างความคุ้นเคยให้แก่จิตทำให้จิตมีความยินดีต่อความสงบมากยิ่งขึ้นปริมาณของธรรมะที่กล่าวในตอนต้น คือความพอใจความเพียรพยายามก็จะสูงขึ้นจิตตามมาและการใช้ปัญญาพินิษพิจารณาที่ท่านใช้คําว่าวิมังสาคือมันสิซองครบคิดพินิษพิจารณาสิ่งต่างๆนั้นบางครั้งก็เป็นเรื่องของวิปัสสนากรรมาฐานบางครั้งก็เป็นการเสริมสร้างปัญญาขึ้นภายในจิตสุดแล้วแต่ว่าบุคคลจะคิดในเรื่องอะไร ข้อนี้จะเห็นได้ว่าในชั้นของพระปัญญานั้นพระพุทธเจ้าสามารถนำอะไรก็ได้ที่คนเห็นอยู่และใกล้ๆนั่นเองนามาเป็นอุปกรณในการเรียนรู้ธรรมะได้เอาแม่น้ำก็ได้เอาใบไม้ก็ได้เอาผลไม้ก็ได้หรือเอาพื้นดินต่างๆก็ได้เข้ามาเป็นอุปกระในการสอนธรรมะแก่บุคคลอย่างบางคราวก็ทรงใช้ เอาธาตุทั้ง4ประกาศนี้เองซึ่งมีอยู่ในกายของบุคคลแล้วบางครั้งก็อสอนในชั้นของกรรมฐานแต่บางครั้งอสอนขั้นในในขั้นของการเอาทําดินนั้นให้เป็นอุปมาเปรียบเทียบเช่นว่าไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ทั้งหลายทั้งที่ดีและไม่ดีเหมือนดินน้ําลมไฟที่ไม่มีความยินดียินร้ายต่อสิ่งซึ่งตกลงไปบนดิน หรือว่าเข้าไปในกองไฟเป็นต้นเพื่อให้บุคคลทำใจให้เสมอด้วยแผ่นดินเสมอด้วยเปลวไฟเสมอด้วยแม่น้ำเป็นต้นนี่เป็นการเชืเห็นได้ว่าสิ่งที่จะสอนบุคคล น, นั้นก็มีอยู่แล้วใกล้ๆตัวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสกลากายอันมีความยาวประมาณวาหนึ่งนี้เป็นครูได้เป็นอย่างดีตลอดไปการเรียนรู้แจ้งซึ่งกายของตนประจักษ์ชัดในส่วนนั้นๆ จะทําให้บุคคลเหล่านั้นรู้โลกโดยท่องแทนเพราะโดยในยะหนึ่งดังที่เคยกล่าวมาแล้วในบทโลกวีทูว่าพระพุทธเจ้าทรงสดแสดงการเกิดขึ้นแห่งโลกความดับแผงโลกและข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับแผงโลกที่สกลละกายของบุคคลนี้เองแต่ว่าการปฏิบัติที่จะมีกําลังผลักดันสูงเพื่อให้บุคคลมีความมุ่งมั่น เข้าสู่ความสงบระงับในชั้นนั้นนั้นได้ก็ต้องมีความกระตือรือร้นเพื่อขนดังที่กล่าวแล้วจะเห็นได้ว่าธรรมะเหล่านี้ก็คงมีการเผยแพร่มีการสั่งสอนมีการแสดงกันอยู่และบุคคลได้ใช้ไปในกรณีปฏิบัติงานต่างๆเช่นการศึกษาเรียนการปฏิบัติภารกิจของตนของตนเป็นต้นซึ่งถ้าหากว่า จะน้อมนำมาใช้ในการปฏิบัติทางจิตโดยปลุกฝังความพอใจในความสงบให้สูงขึ้นเตียนพยายามสร้างความสงบให้ปรากฏรู้จักจกช่วยโอกาสที่มาถึงเข้าทำความสงบจิตให้บังเกิดขึ้นไม่ว่าเวลาจะมากหรือน้อยก็ตามและมันใช้ปัญญาพินิจพิจารณาสิ่งที่ตนกระทาและ ที่ที่ตนได้กระทำมาแล้วกำลังกระทำอยู่และจะกระทำต่อไปตลอดถึงสิ่งที่ปรากฏขึ้นในที่เฉพาะหน้าด้วยมีปัญญาอย่างรู้ถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นตามที่ทรงแสดงเอาไว้มีความกระตือรือร้นที่จะให้เกิดความสงบในขั้นของอุปจาระในขั้นของอั ป, ปะมะอัปปนาตลอดถึงในขั้นของฌานเป็นต้นโดยลำดับเมื่อทาได้อย่างนี้ ความเป็นผู้ตื่นจากกิเลสก็จะบังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นโดยลําดับอย่างน้อยที่สุดก็จะหายหลงหายมัวเมาในโลกิยรมทั้งหลายสามารถที่จะมองเห็นความจริงในชั้นนั้นๆของสิ่งที่ปรากฏขึ้นในชีวิตของตนเมื่อทำได้เช่นนี้จึงว่าเป็นการปฏิบัติตนให้สัมผัสคุณของพระพุทธเจ้าด้วยใจ และยังได้ชื่อว่าเป็นการถึงพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงอีกสดหนึ่งด้วยต่อเทนี้ไปขอให้ตั้งใจทําความสงบสืบต่อไป